อยากเห็นแม่พักผ่อนได้นอนฝันดีเต็มอิ่มสมที่ต้องเนืยลงเรียวแรงมานานอยากเห็นพ่อได้นอนหลับตาและพักเต็มตื่นสมที่ต้องทนปรากรำทุกคืนมานานไม่มีวันท้อใจไม่ จะเน็ดเนืยเมื่อยันไม่ถึงจุดหมายหนึ่งใจมีให้สองคนทุ่มเทให้สองคนสองคนที่เคยยอมปดเพื่อชยัย งานใช้แรงกําลังสิ่งนี้คือปลายทางที่เดินมุ่งไปทุกวันชัดเจนในใจและฉันไม่เคยจะลืมไม่ม อดเบือฉันหนึ่งชีวิต Shine.